Book 2ูแป i สิบเอ็ดเทตอดีตเนี่ยเทตอดีตเอย์เนี่ยอดีตการหนึ่งอชกอเขียน เเขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ I i l t e r i l t e r และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ t e I will write t c a r o l i n h e c a r o l i n a อ่าน เ <Le> <Le joy. S 1> เขาได้อ่านนิตยสาราหนึ่งฉบับอและเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่มแต่เลอยเ้อลิบเบอร์อะไอโยเล่ หยิบมารมารเขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวนอ้มอยมอร์ย์ิการเธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นอ้ยมอร์หช็อกโลตช็อกโลต เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ไอ้นุกอิสตเสนิกออิสตเสนิกไอนุกอิสตเสนิกออยอิสตเสนิกเขาขี้เกียจแต่เธอขยันไออิสตเดมเบลอ์อิสตเดเซนช์มไออิสตเดมเบล พอายุอเาเขาจนแต่เธอรวย์เปัสซอร์ีวเปัสซอร์เขาไม่มีเงินมีแต่นี้ไอ พอโบจ์จ์ไอ้สกิสต์เตเลโกพอโบจ์เขาไม่มีโชคมีแต่โชคร้ายไอ้สกิสต์เตฟัตพอเวตัมเทรสลักไอ้สกิสต์ p ตฟัตพอเวตัมเทรกเขาไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ล้มเหลว ไอ้สกิสต์เต้สุขเสสพอต์เดิษทีมไอ้สกิสต์เต้สุขเสสพอต์เดิษทีมเขาไม่เคยพอใจมีแต่ไม่พอใจไอ้หนุกิสต์เต้ย์ก็น่าชอว์พอร์ย์พักก็น่าชอว์ไอ้หนุกิสต์เต้ย์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 Nuk i s t e s i m p a t i c por i s t e jo s i m p a t i c